มาชำระใจให้สะอาดบอยสุดด้วยความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสงสารทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาและได้รับผลอันดีเลิศมาแล้วพวกเราทุกคนก็ปรารถนาผลที่ดีเลิศเช่นเดียวกัน เราก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมคําสอนตามพระอริยสงสาวกแล้วไม่นานต่อไปเราก็จะได้เป็นพระอริยสงสารกเช่นเดียวกันเพราะการจะเป็นหรือไม่เป็นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ แต่ความเชื่อก็ต้องมีถึงจะปฏิบัติได้ถ้าไม่เชื่อก็คงจะไม่ปฏิบัติดังนั้นการเชื่อก็เป็นสิ่งที่ดีเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่เชื่อได้อย่างสนิทใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระ ส, สงฆ์ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก ที่ยังหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราเนี้เป็นความจริงทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่แปกปลองหรือไม่จริงเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นของจริงทั้งนั้นเป็นความจริงที่ปุตรชนอย่างพวกเราทั้งหลาย สามารถที่จะเห็นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เห็นกันเพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเรามาก่อนท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์มาแต่กำเนิดท่านก็ต้องศึกษาและปฏิบัติถึงจะได้ พบกับความจริงเห็นความจริงและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆได้ให้มีแต่ความสุขอยู่อย่างเดียวได้พวกเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าพวกเรามีศรัทธาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆตั้งแต่นากขึ้นมานาโกเปรตผีเดรรชานมนุษย์เทวดาพรหมพระอริยบุคคลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นและเกิดจากการกระทาของจิตหรือของสัตว์โลกแต่ละดวงแต่ละตัวทำกัน ถ้าทำบุญผลก็จะเป็นผลดีเป็นสวรรค์เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นผลเป็นพระอริยเจ้าถ้าทำบาปผลไม่ดีก็คือเดรัจฉานเปรตผีนรกก็จะเป็นผลที่ตามมาผู้ที่จะเป็นหรือเป็นผู้ที่รับผลก็คือใจของพวกเราใจผู้ที่ครอบครองร่างกายนี้อยู่ ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เมื่อถึงเวลาครบกําหนดอายุไขเขาก็จะหยุดทํางานแล้วเขาก็จะสลายตัวกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้าลมไฟไปส่วนใจไม่ได้สลายไปกับร่างกายแต่จะต้องไปตามกําลังของ บุญหรือบาปตามกำลังของความดีความชั่วที่ได้ปฏิบัติมาถ้าได้ทําบุญมากกว่าทําบาปโอกาสที่จะได้ไปรับผลบุญก็จะมีมากกว่าไปรับผลบาปถ้าทําบาปมากกว่าทําบุญโอกาสที่จะไปรับผลบาปก็จะมีมากกว่า ถ้าทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตัสสาวกทั้งหลายก็จะไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปรับบุญลับบาปต่อไปขพาใจได้หลุดพ้นจากภพชาติต่างๆแล้วด้วยอำนาจของการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดกวดขันจนได้ กำจัดเชื้อของภพชาติทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็เลยกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนี้ไม่ใช่สถานที่เป็นสภาพของจิตฐานะของจิต ถ้าเปรียบเทียบกับคนสมัยนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีลำดับที่หนึ่งเลยคือพระนิพพานใครได้พระนิพพานก็ถือว่าได้เป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกต้องการอะไรอยากมีอะไรสามารถที่จะหามามาได้เสมอได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาเลยฉันใดผู้ที่ได้พระนิพพานแล้วก็จะเหมือนได้แก้วสา ร, สารพัดนึก นึกอยากจะได้อะไรก็จะได้เพราะมันเป็ น, เ ป, นเป็นความสุขของใจนี้เองสุขสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้กันอยากมีกันก็เพื่อจะทำให้ใจของเรามีความสุขกันนั่นเองแต่เมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยากจะได้อะไรเพราะเรามีพอแล้วนั่นเอง ทุกวันนี้ที่พวกเรายังมีกันไม่พอก็เพราะเรายังไม่ได้พระนิพพานนี้เองถ้าเรายังไม่ได้พระนิพพานใจของเราก็ยังจะมีความโลภความโกรธความหลงที่จะสร้างความหิวสร้างความอยากสร้างความต้องการต่อไปยังไม่มีวันสิส้นสุดไม่ว่าเราจะได้อะไรมามากน้อยเพีย ง, ง, งไรเท้งเท่าไหร่ก็ตาม ถึงแม้เราจะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ตามแต่ใจของเราก็ยังจะมีความหิวมีความต้องการต่อไปเพราะว่าตัวที่สร้างความหิวสร้างความต้องการนี้ไม่ได้ถูกํากัดไม่ได้ทการไม่ได้ถูกทำลายไปนั่นเองปัญหาของพวกเรานั้นอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความอยากได้ความโลภความไม่รู้จักพอ จิ่งทำให้เราต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆด้วยวิธีการต่างๆถ้าไม่ได้ถ้าทำโดยที่ไม่ได้ทําบาปทํากรรมก็ก็ปลอดภัยไปในระดับหนึ่งคือไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมเวลาตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุจริตต้องหามาด้วยด้วยการทําบาปทํากรรม เราก็จะต้องไปใช้ผลของบาปต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราไม่ทำบุญสองเราไม่รักษาศีลเราไม่ทำจิตใจให้สงบใจของเราก็เลยมีแต่ความหิวความอยากความต้องการ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วก็เลยต้องทําให้เราต้องไปทําบาปทํากรรมเพราะถ้าไม่ทําบาปทํากรรมก็จะไม่ได้ตามที่เราอยากได้นั่นเองนี่คือปัญหาของใจของพวกเราอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นต้นเหตุใหญ่แล้วก็อยู่ที่บุญที่กรรม เป็นเหตุรองลงมาแต่ถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจเราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็จะมีความพอเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมแต่ถ้าเรามีความโลภมีความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเราจะรู้สึก รู้สึกว่าเรากำลังขาดอะไรไปเรากำลังมีความว่างเปล่าอยู่ในใจของเราเหมือนท้องว่างเราต้องหาอาหารมาใส่ท้องฉันใดเวลาใจเกิดความอยากก็เป็นเหมือนกับท้องที่ว่างต้องไปหาสิ่งที่ใจต้องการมาเติมมาใส่ให้แต่ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ตาม ความอิ่มความพอก็จะไม่เกิดขึ้นวิธีที่จะทำให้เกิดขึ้นทำให้ใจมีความอิ่มความพอก็คือเราต้องกำจัดความโลภความอยากต่างๆต่างหากเพราะนี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจหิวเพราะความโลภความอยากใจอิ่มเพราะไม่มีความโลภความอยากดังนั้นถ้าเราอยากจะอิ่มใจเราก็ต้อง ชำระความโลภความอยากด้วยการทำบุญการทำบุญนี้ก็เป็นการชำระความโลภความอยากในระดับหนึ่งเช่นเราอยากจะได้ของชิ้นหนึ่งเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ของชิ้นนี้มันไม่มีความจำเป็นคือเรามีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าเรามีปัญญาคิดอย่างนี้แล้วเราเอาเงินที่จะซื้อของชิ้นนี้ มาทําบุญให้ทานมาสงเคราะห์มาช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะทําให้เราตัดความโลภตัดความอยากไปได้ในระดับหนึ่งทุกครั้งที่เราฝืนความโลภความอยากเราก็จะทําให้ความโลภความอยากนี้มันเล็กลงไปน้อยลงไปแต่ทุกครั้งที่เราทําตามความโลภทําตามความอยากมันก็จะทําให้ความะความโลภความอยาก โตขึ้นไปอีกในอีกขั้นหนึ่งดังนั้นทุกครั้งที่เรามีความโลภความอยากแล้วเราสามารถที่จะฝืนได้ไม่ทำตามได้แล้วเอาเงินที่เราจะใช้กับการไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการเอามาช่วยเหลือผู้อืน่น <c oughs> ก็จะทำให้ใจของเรามีอาหารภายในใจ ทำให้ใจเรามีความอิ่มขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เรามีทรัพย์ภายในบุญนี้คือทรัพย์ภายในทรัพย์ที่จะดูแลเราในเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปถ้าเรามีทรัพย์มากเราก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณถ้าเราไม่ทําบุญไม่ไม่รักษาศีลเวลาเราตายไปเราจะต้องไปเป็นจิตะ จะต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณคือเป็นเปรตนี่เองเวลาที่เราทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญนี้เราก็ไม่ได้อุทิศให้ใครหรอกนอกจากเปรตนี้เท่านั้นเพราะมีเปรตนี้เท่านั้นที่อยู่ในฐานะหรืออยู่เป็นผู้ที่กำลังรอรับผลบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้นั่นเองถ้าเราไปอยู่ในนรกเราก็จะรับไม่ได้ ถ้าเราเป็นเดรัจฉานเราก็รับไม่ได้แต่เราหากินของเราเองได้เป็นเดรัจฉานก็หากินไปตามภาษาของเดรัจฉานถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่ต้องอาศัยบุญของผู้อุทิศเพราะเราก็สามารถหาอาหารหาความสุขของเราเองได้ถ้าเราเป็นเทพเราก็ยิ่งสบายเพราะเรามีความสุขเรามีทรัพย์ภายในไว้หล่อเลี้ยงจิตใจของเรา เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปรอรับส่วนบุญของผู้อื่นยิ่งถ้าเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยเจ้ายิ่งไม่ต้องการอะไรจากใครเลยเพราะท่านเป็นมหาเศรษฐีท่านมีทราบภายในไว้คอยดูแลอยู่ตลอดเวลานี่คือสถานภาพจิตของของของจิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้นจากการทำบุญละบา และชําระใจให้สะอาดหรือเกิดจากการไม่ทาบุญไม่ละบาปไม่ชําระใจให้สะอาดนั่นเองจึงแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเรียกว่าสุขติส่วนนี้เป็นเป็นผลของผู้ที่ทําบุญละบาปและชําระใจให้สะอาดบรยสุทธ์คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป จากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพชั้นต่างๆจากเทพชั้นต่างๆก็เป็นพรหมชั้นต่างๆจากพรหมชั้นต่างๆก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆจนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากการทำบุญ ล, ละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ส่วนพวกที่ไม่ทำบุญไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำระใจให้สะอาด ก็จะเป็นพวกที่ไปสู่อบายไปสู่ทุกขติเป็นที่มีแต่ความทุกข์มากกว่ามีความสุขไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นผีก็ดีเป็นนรกก็ดีเป็นที่ที่มีแต่ความทุกข์มากแต่ความสุขเป็นผลที่เกิดจากการไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ปฏิบัติ คือไม่ทําบุญไม่รักษาไม่ละบาปไม่ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผลจึงเป็นอย่างนี้ในโลกนี้เราจึงมีมนุษย์และมีสัตว์ที่แตกต่างกันเพราะพวกที่เป็นสัตว์ก็เป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพวกที่ไม่ทําบุญละบาปกําจัดความโลภความโกรธความหลงนั่นเอง ส่วนพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีฐานะการเงินดีมีสติปัญญาที่ฉลาดมีจิตใจที่ดีมีความเมตตากรุณาใจบุญกใจกุศลก็เป็นเพราะว่าในอดีตได้เคยได้ทำบุญมาได้ละได้ละบาปได้ชำระความโลภความโกรธความหลงมา ถึงแม้ไม่ได้ชำระให้จนหมดสิ้นไปก็อยัง ก, ก็ทําให้จิตใจนั้นดีขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ได้ชำระเลยผู้ที่ไม่ชำระความโลภความโกรธความหลงเลยนี้จะเป็นผู้ที่มีแต่ความโลภโมโทสันมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความอยากได้ให้ตนเองไม่ชอบไม่คิดถึงความสุขความ ทุกของผู้อื่นจะคิดแต่เรื่องของความสุขความทุกข์ของตอนเท่านั้นไม่สนใจว่าการกระทําของตอนนั้นจะไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ก็ตามนี <c oughs> ่เป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาวเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขาคิดว่าตายแล้วก็จบตายแล้วก็สูญตายแล้วไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป แ้วเรื่องอะไรจะมาทำบุญให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองสู้ทำบาปดีกว่าเพราะเวลาทำบาปแล้วจะได้สิ่งที่ต้องการเช่นอยากจะได้ลูกได้สายาของผู้อื่นได้สามีของผู้อื่นก็ถ้ารักษาศีลก็จะทาไม่ได้แต่ถ้าไม่รักษาศีลก็จะทำได้เขาก็คิดว่าทาดีกว่าเพราะได้กาไร ได้กาไรในขณะนี้ในพบนี้ในชาตินี้ได้ทำได้ทในสิ่งที่อยากจะทาได้ในสิ่งที่อยากจะได้แต่เขาไม่รู้ว่าใจของเขานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเขานี้ที่จะต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปใหม่ <c oughs> เราจะมีสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้อย่างมากมายมีมากกว่ามนุษย์หลายร้อยหลาย หลายล้านเท่าเพราะการที่จะเป็นมนุษย์นี่ยากกว่าการเป็นสัตว์เดรัจฉานั่นเองการเป็นมนุษย์นี่จะต้องรักษาศีลให้ได้และก็ต้องทำบุญถึงจะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีมีรูปร่างหน้าตาดีส่วนพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ใจบาปนี้ก็เป็นพวกที่ไปใช้กรรมมาจากอบายพอหมดกรรมก็ถูกปล่อยให้มาเป็นมนุษย์ แต่ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมประกอบเช่นมีอาการไม่ครบ32มมีมีความพิการทางตาทางทางหูทางทางอวัยวะต่างๆหรือทางจิตใจนะเป็นคนพิการทางจิตเป็นคนโรคจิตพวกนี้เป็นพวกที่เขาปล่อยออกมาจากอบายแต่พวกที่ออกที่ลงมาจากสวรรค์นี้ จะเป็นพวกที่มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอาการครบสามสิบสองมีสติปัญญาแหลมคมมีฐานะการเงินที่ดีมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลเป็นพวกที่ชอบทําบุญให้ทานรักษาศีลชอบชําระความโลภความโกรธความหลงพวกนี้จะมีโอกาส ที่จะพัฒนาจิตใจของตนให้สูงไปเรื่อยๆในแต่ละภพแต่ละชาติจนในที่สุดก็จะได้พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านก็ต้องบำเพ็ญทำบุญละบาปชำระความโลภความโกรธความหลงมาหลายภพหลายชาติ ด, ด้วยกันจนในที่สุดก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายเศรตฐะ แล้วได้ออกบวชได้ปฏิบัติจนได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกเป็นที่พึ่งของโลกมาจนถึงทุกวันนี้เพราะอนุภาพของการเชื่อบุญเชื่อบาปจึงไม่ทำบาปทำแต่บุญและชำระใจจนสะอาดบริสุทธิ์นี่คือ งานที่แท้จริงของพวกเราพวกเราทุกคนนี้ที่เกิดมานี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำสามส่วนนี้คือต้องทำบุญต้องละบาปและชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าพวกเราทุกคนต้องการมีแต่ความสุขต้องการไม่ไม่มีความทุกมามาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าเราต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลเช่นนี้ขึ้นมาและเหตุที่จะทำให้เกิดผลนี้ก็คือการทำบุญไม่ทำบาป <c oughs> และการชําระใจให้สะอาดโดยสุดทำบุญก็คือการให้ทานให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นด้วยสิ่งต่างๆจะเป็นปัจจัยเงินทองก็ได้ จะเป็นวิชาความรู้ก็ได้จะเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญส่วนการไม่ทำบาป ก, ก็คือการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดป่มดกเทศไม่เสพสุรายาหมอมนี่เป็นการไม่ทำบาปขอให้เราพยายามรักษาศีลให้ได้ อย่างต่อเนื่องอย่ารักษาเพียงเฉพาะวันพระเท่านั้นควรจะรักษาทุกวันเหมือนกับการรับประทานอาหารเหมือนกับการอาบน้ําอาบทาเราต้องรับประทานอาหารทุกวันเราต้องอาบน้ําอาบท่าทุกวันเราต้องซักเสื้อผ้าของเราทุกวันฉันใดเราก็ต้องรักษาใจของเราทุกวันเหมือนกันเพราะการรักษาศีนี้ก็เป็นการชําระ บาปให้ออกไปจากใจไม่ให้เข้ามาทำให้ใจของเราสกระปรกนั่นเองนี่คือหน้าที่สองประการแรกทำบุญล ะ, ละบาปส่วนหน้าที่ข้อที่สามก็คือการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระความโลภความโกรธความหลงความโลภนี่เกิดจากอะไรความโลภ ก, ก็เกิดจากความหลงหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริง นั่นอยู่ภายในใจของเราความสุขที่เกิดจากการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตอนนี้เรารู้แล้วเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่การชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และการจะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็ต้องชำระความโลภความหลงเพราะความหลงเป็นต้นเหตุของความ ของความโลภและความโลภ ก, ก็เป็นเหตุของความโกรธเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังที่เราอยากได้เราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแต่เวลาที่เราไม่โลภนี้เราจะไม่โกรธเราจะรู้สึกเฉยๆอย่างตอนนี้เราไม่โลภเราก็เลยไม่มีความโกรธแต่ถ้าเราเกิดมีความโลภอยากจะลุกออกจากที่ตรงนี้ไปแต่เราลุกไปไม่ได้ เราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาภายในใจเพราะอยากจะลุกออกจากที่นี้ไปแต่ลุกออกไปไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ทำตามความโลภทำตามความอยากก็จะทาให้เราเกิดความโกรธหรือเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมานั่นเองดังนั้นเราต้องสอนใจว่าเราอย่าโลภเวลาโลภเราต้องระ ง, งับความโลภให้ได้เราจะระ ง, งับได้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือ การทำสมาธิเ <c oughs> ช่นนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปทำตามความโลภให้บริกรรมพุทโธไปหรือให้สวดมนต์ไปจนกว่าเราจะลืมเรื่องที่เราอยากจะได้จนกว่าความโลภจะหายไปพอเราลืมแล้วความโลภ ก, ก็จะหายไปแล้วใจของเราก็จะกลับมาสงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุข ด, ดีกว่าการไปทำตามความโลภแทนที่จะได้มาแล้วจะความโลภจะหายไปความโลภ ก, กับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกครั้งต่อไปก็อยากจะได้มากกว่าเดิมถ้าเราได้อะไรมาครั้งแรกครั้งต่อไปถึงแม้เราจะได้เท่ากับครั้งแรกเราจะมีความรู้สึกว่าไม่พอเราต้องได้มากกว่านั้น เช่นเราทำงานเรามีเงินเดือนเท่านี้เราก็ยังไม่พอเดือนหน้าถ้าเราได้มากกว่านี้เราจะถึงจะรู้สึกว่าพอแต่พอเดินต่อไปพอได้เท่าเดิมเราก็จะรู้สึกไม่พอเราจะต้องได้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่เวลาใดที่เราเปลี่ยนใจเราตัดใจได้ว่าไม่เอามากเท่านี้เอาน้อยกว่านี้ถ้าเราทําใจได้เวลาเราได้น้อยกว่านี้ เราก็จะรู้สึกพอใจมีความอิ่มใจเพราะใจเราไม่ได้โลภอยากมีมากไปกว่านี้นั่นเองนี่คือวิธีแก้ความโลภเราต้องแก้ด้วยการทําใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทธโธก็ได้ด้วยการสวดมนต์ก็ได้หรือด้วยการใช้เหตุผลสอนเราว่าการทําตามความโลภการได้ตามความโลภนี้ไม่ได้ทําให้ความโลภมีน้อยลงไป ไม่ได้ทำให้มีความอิ่มเพิ่มมากขึ้นไปแต่กลับจะทำให้มีความโลภเพิ่มมากขึ้นและมีความอยากมีความความอิ่มน้อยลงไปนี่คือการแก้ความโลภความโกรธความหลงเราต้องแก้ด้วยสมาธิคือการทำจิตให้นิ่งให้สงบหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลสอนใจว่า สิ่งที่เราต้องการถ้าไม่มีความจำเป็นนี้อย่าเอามาจะดีกว่าเพราะจะไม่ได้ทำให้เราเกิดความอิ่มความเกิดความพอแต่กลับจะเกิดทำความอยากให้มีเพิ่มขึ้นไปแต่สิ่งที่เราต้องการนี้ถ้าเป็นความจำเป็นอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นความโลภเช่นเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีอาหารรับประทานถ้าเรารับประทานอาหารพอประมาณอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภ แต่ถ้าเรารับประทานอาหารมากมากกว่าความต้องการของร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความโลภได้ดังนั้นเวลาที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆมาดูแลรักษาชีวิตรักษาร่างกายของเราเราก็ต้องรู้จักประมาณคือไม่ให้มากเกินไปและไม่ให้น้อยเกินไปเพราะถ้าน้อยเกินไปก็จะทำให้บกพร่องได้ ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้ามีมากเกินไป<ม>ก็จะเป็นกิเลสเป็นความโลภและก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันเพราะร่างกายถ้าได้รับอาหารมากเกินไปก็จะมีน้ำหนักมากเกินไปก็จะทำให้มีโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีต้องหาสิ่งที่เราต้องมีเช่นหาอาหาร หาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องรู้จักประมาณคือต้องมีพอต่อความต้องการต่อความจําเป็นแต่อย่าให้มีมากไปกว่า น, นั้นหรือน้อยไปกว่า น, นั้นอย่าให้มีเพราะความอยากได้เช่นเรามีเสื้อผ้าพอแล้วเราไม่ต้องไปซื้อใหม่อีกแล้วรอให้เสื้อผ้าที่เราใช้นี้มันขาดไปก่อน แล้วเราต้องเปลี่ยนใหม่อย่างนี้เราถึงค่อยไปไปซื้อมาใหม่อย่างนี้ก็จะไม่เป็นความโลภแต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้ล้นตู้แล้วแต่เรายังอยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภน่าจะทำให้เราอยากซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆไม่รู้จักพออาทิตย์นี้ซื้อชุดนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็อยากจะซื้ออีกชุดหนึ่งแล้วก็จะมี มีปัญหาเพราะจะไม่มีตู้เก็บเสื้อผ้าก็จะต้องไปซื้อตู้เสื้อผ้ามาเพิ่มอีกตู้หนึ่งแล้วเดี๋ยวบ้านก็จะไม่พอเก็บข้าวเก็บของก็จะต้องไปซื้อบ้านใหมก่ก็จะเป็นปัญหาให้เราจะต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาตอบสนองความโลภความต้องการของเราแล้วเราก็จะต้องไปทำบาปไม่สามารถรักษาศีลได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเวลาเราตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมต่อไปซึ่งไม่คุ้มเลยแต่ถ้าเรารู้จักประมาณใช้ตามความจำเป็นหาได้หาเอาเท่าที่จำเป็นเราจะไม่ต้องไปทำบาปทำกรรม <c oughs> แล้วเราตายไปก็จะได้ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมเราก็จะไปรับผลบุญกลับมาเกิดใหม่เราก็จะดีกว่าเดิม เราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราทำกันอยู่สามข้อนี้คือทำบุญละบาปละชํารละใจให้สะอาดบอยสุดขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นในแนวทางนี้ว่าเป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะนาพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของพวกเหล่านี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินิจพิจารณา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 จากทุมภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ